161มูลาธิเพสัชกถาว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องยามีรากไม้เป็นต้นเรื่องรากไม้ที่เป็นยา263สมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการรากไม้ที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้